แนะนำบทอซูมาร์บทอซูมาร์เป็นบทมักกียะมี 75 องก์การที่กล่าวถึงหลักการตอฮีดอย่างละเอียดจนกระทั่งเกือบจะเป็นแก่นหลักของบทนี้เพราะมันเป็นรากฐานของการศรัทธาและเป็นรากฐานของการงานที่ดีบทได้เริ่มกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่คู่ชีวิตของมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลอฮ์และการใช้ท่านรอซูลมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติศาสนกิจต่ออัลเลาะห์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 และเพลย์โอไฟนรกจะปกคลุมพวกเขาทั้งข้างบนและข้างล่างในบทได้ยกตัวอย่างถึงข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างผู้ที่เคารพภักดีต่อพระองค์และเคารพสักการะพระเจ้าหลายองค์ที่ไม่ได้ยินและไม่ได้ตอบรับนั่นคือตัวอย่างของบ่าวที่มีนายหลายคนกับบ่าวที่มีนายคนเดียวและบทได้กล่าวถึงสภาพจิตใจของพวกมุชริกีน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 คัมภีร์นี้ถูกประทานลงมาจากอัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอินนาอนซัลนาอะลัยกัลกิตาบะบิลฮักก์ฟะอฺบุดิลลาฮะมุคลิศัลละฮุดดีนแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์มายังเจ้าด้วยสัจธรรมดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ دوي بن قومي به ความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์อลาลิลลาฮิดดีนุลคาริส والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم ان الله لا يهدي من هو كاذب فكر سام เถิดว่าการเคารพภักดีโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ ถ้าติงอัลเลาะห์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันถ้าติงอัลเลาะห์จะไม่ทรงให้ทางนําแก่ผู้กล่าวเท็จผู้ปฏิเสธศรัทธาลาวอาราดัลลอฮุอันยัตะคิซะวะละดัลลัสตาฟะมิมมายะคฺลุคูมายะชาซุบฮานะฮูฮุวัลลอฮุลวาฮิดุลกะฮารหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์จะมีพระภู แน่นอนพระองค์จะทรงเลือกจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาตามที่พระองค์ทรงประสงค์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ทันพระองค์คืออัลเลาะห์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตคอลักกัสซะมาวาติวัลอัฎดะบิลฮักกอยุกวิรุลไลละอะลันนะฮาริวะยุกวิรุนนะฮารออะลัลไลลวะซัคคาระชชัมซะวัลกัมร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 พึงทราบเถิดพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยยิ่งขอ لا قُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 และทรงประทานปสุสัตว์ 8 คู่แก่พวกเจ้าพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าในครรภ์มารดาของพวกเจ้าเป็นการบังเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าในความมืด 3 ชั้นนั่นคืออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าอำนาจเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์แล้วทำไมพวกเจ้าจึงผินหน้าไปทางอื่นอินตักฟุรฟะอินนัลลอฮุกานีอ์อันกุม ولا يرضى عباده الكفر وان تشكروا يظه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ها <تصفيق> พวกเจ้าปฏิเสธ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 تا جینگ برون نان بن قَبِلَ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْ دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ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 นะมายะตะกัรอูลุลอัลบาบผู้ที่เขาเป็นผู้ภักดีในยามค่ําคืนในสภาพของผู้คล่อมกราบสุญูดและผู้ยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อพระโรคและหวังความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเขาจะเหมือนกับผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์กระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้ จะเท่าเทียมกันหรือแท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ครวญบุญยาบาดิลลดีนอามนตักูรับบะกุมลิลลดีนอห์ซะนูฟีฮาซิฮิดดุนยาฮะซะนะวออัรดุลลอฮิวาซิอะฮ์อินนะมายูวะฟะศซาบิรูนอัจเราะฮุมบิไฆรฮิซาบะดุญกลาเถิดมุฮัมมัด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 قل انني امدت ان اعبد الله مخلصا له الدين چون كلاو ثอด มูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้ถูกบัญชาชายให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ وا امدت لان اكون اول المسلمين และฉันได้ถูกบัญชาให้ اَخَافُ اَن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ تُمْقَاعُ ثُرْت مُحَمَّد وَتَأَجِين شَن กลัวการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่หากฉันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉัน قُلِ اللَّهَ أَعُوذُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي تُمْقَاعُ ثُرْت مُحَمَّد ว่าเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันเคารพภักดี دوی بن پو می ความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระตะอบูดูนาชีอ์ตุมมินดูเนกุลอินนัลคอซิรินัลลาดีนคอซิรอนอันฟุซะฮุมวะอห์ลิฮิมยามาลกิยามะกุลอินนัลคอซิรินัลลาดีนคอซิรอน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 เพิ่งรู้เถิดว่านั่นคือการขาดทุนอย่างชัดแจ้งละฮุมมินฟาวกิฮิมฆุลลุมมินอันนาริวะมินตะห์ตีฮิมฆุลลัลฎาลิกะยุคอฟุลลอฮุบิฮิอิบาดะฮุยาอิบาดะกัตตะกูนสำหรับพวกเขานั้นมีชั้นของเปลวไฟนรกปกคลุมเหนือพวกเขา ແລະເບື້ອງລ່າງຂອງພວກເຂົາກໍມີຊັ້ນຂອງເປົ່າໄຟນາລົກຢູ່ດ້ວຍສິ່ງນັ້ນແຫຼະອັນລໍສົງທໍາໃຫ້ປວງບ່າວຂອງພະໂລງກົວໂອປວງບ່າວຂອງຂ້າຈົ່ງຢໍາເກງຕໍ່ຂ້າເຖີດວະຫຼະຊີນະຈະນະຕາໂກຕາອັນຍະບູດູຫໍວະອະນາບູອີລຫຼາຫີ และบรรดาผู้ที่หนีออกห่างจากพวกจาเวตเพื่อที่จะไม่สักการะบูชามันและหันไปจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์สําหรับพวกเขานั้นมีข่าวดีดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจึงแจ้งข่าวดีแก่พวงบ่าวของข้าเถิดอัลลซีนะยัสตัมอิอูนัลเกาละฟัยัตตารูนอะห์ซะนะอูลาอิกัลละซีนะฮาดาฮุมุลลอฮ์ وَأُولَٰئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ بੰਦਾਂ ຜູ້ທີ່ສະດັບຟັງຄໍາກ່າວແລ້ວປະຕິບັດຕາມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມັນຊົນລາວນີ້ຄືບັນດາຜູ້ທີ່ອັນລໍະສົງທີນະທາງນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາແລະຊົນລາວນີ້ຄືຜູ້ທີ່ມີສະຕິປັນຍາຄ່ອຍຄວນ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 مَا ثَوْقَهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ تَبَنَّى بُยํเกรง ต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นสําหรับพวกเขาจะมีคฤหาสน์อันสง่าโอ่โถงเหนือขึ้นไปอีกก็ نا بہنگ لان کھون من می مے نام لائی سائی لائی پھاد من بن کھو سنیا کھو اللہ اللہ نن چا مے سونگ ویت پریو سنیا ان تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع الارض ثم يخرج به ذرا مختلفا الوان ثم يهيج فتراه مصطرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرا لولي الالبابចាំ มีเห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงหลั่งน้ําลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วทรงให้มันไหลซึมเข้าไปในแผ่นดินเกิดเป็นตาน้ําทรงให้พืชผลงอกเงยออกมาหลายสี แล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งดังนั้นเจ้าจะเห็นมันกลายเป็นสีเหลืองแล้วพระองค์จะทรงทําให้มันเป็นเเสดเป็นชิ้นแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายอัสนาชรรหัลลอฮุศอดเราะฮูลิลอิสลามฟะฮูวะอะลานูรลิลร็อบบิฟะไวลุลลิกอเซียติกุลูบุมมินซิกริลลาฮ์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 ذنان قوا وبات جنجประสบแดผู้ที่หัวใจของพวกเค้าแข็งกระด้างต่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งอัลลอฮุนزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلي نجلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذالك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نے سون پرتان کم کلاؤ تی دی یینگ لون ما بن کم پی کھون چون کلاؤ سم سم گن پیو ننگ کھون بان دا پو تی گنگ پلو تا پر پو اپی بان کھون پوک ک چ لک چن ک แล้วผิวหนังของพวกเขาและหัวใจของพวกเขาจะสงบลงเพื่อรำลึกถึงอัลเลาะห์นั่นคือการชี้ทางนำของอัลเลาะห์พระองค์จะทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงให้เขาหลงทางดังนั้นสําหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนำให้เลยอะฟะไมยัตตะกีบิวัจฮิฮีซูอัลอาซาบิยอมะลกิยามะฮ์ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ذَٰلِكَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُكَذِّبُونَ قادرهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون بنىชนก่อนหน้าพวกเค้าได้เคยปฏิเสธมาแล้ว ดังนั้นการลงโทษได้มีมายังพวกเค้าโดยที่พวกเค้าไม่รู้สึกตัว فاداقهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ดังนั้นอัลเลาะห์ทรงให้พวกเขาลืมรสความอัปยศในชีวิตความเป็นอยู่ของโลกนี้และแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขาได้รู้วะลากอดดะรบนาลิลนาซีฟีฮาซาอัลกุรอานมินกุลลมะซลลัลลุมยะตะดักกะรุนและโดยแน่นอนเราได้ยกทุกๆอูทาฮอในอัลกุรอานนี้ สำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญกุรอานอันอาหรับที่ไม่แพร่หลายเพื่อพวกเขาจะได้ยำเกรงกุรอานเป็นภาษาอาหรับโดยไม่มีการคดเคี้ยวเพื่อพวกเขาจะได้ยำเกรงบอระบัลลอฮุมะซะลัรรัจุลันฟีชุระกานมุตะชากิซูนวะรัจุลันซะลัมันลิรัจุล ورجل سلم للرجل هل يستوي مثلان الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون Allah song yok utha hon chai kon nueng pen hun suan kan phuak khao khat yang mai long roi kan lae chai kon nueng การสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลเลาะห์แต่พวกเค้าส่วนมากไม่รู้อินนะกะไมตุวะอินนะฮุมไมตุแท้จริงเจ้าจะต้องตายและแท้จริงพวกเค้าก็จะจะต้องตายทุมมาอินนะกุมยอมะลเกียะมะตินอะนดะรบบิกุมตัคตัสิมูนและแท้จริงในวันกิยามะนั่น พวกเจ้าจะโถกเถียงกันต่อหน้าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นอัซลัมมินมันคดบอะลลอฮ์วะคดบบิสศิดกอิซกาอะลัยซฟีจะฮันนัมมะษวลิลกาฟิรินดังนั้นผู้ใดเล่าที่จะทำยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์และปฏิเสธความจริงเมื่อมันได้มีมาอย่างเขามิใช่ในนรกดอกหรือ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 เป็นผู้ให้ความพอเพียงแก่บ่าวของพระองค์ดอกหลีและพวกเขายังขู่เจ้าให้กลัวบรรดาเจว็ดอื่นจากพระองค์และผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงให้เขาหลงทางสําหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนําใดๆอีกเลย